วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 12537 เป็นการบรรยายพระภิกขัมเบื้อง 8 สืบต่อจากคราวที่แล้วคราวที่แล้วได้อธิบายถึง คำว่าปฏิสนธิหรือบางทีเรียกว่าปฏิสนธิกาลแปลว่าเวลาเกิดหรือการเกิดนั้นมีเวลาสั้นนิดเดียวสั้นจนกระทั่ง แล้วหลังจากนั้นก็ถือว่าการแบ่งการชีวิตนั้น 2 กาลคือปฏิสนธิกาลได้แก่ 2 ที่เป็น หลังจากปฏิสนธิเกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วไปถึงจิตดวงสุดท้ายของชีวิตในชาติการคือแบ่งจุติกาลออกเป็นอีกกาลหนึ่งเรียก อันที่จะอธิบายในวันนี้ ดวงใดดวงหนึ่งใน 8 ดวงเอ่ออันนี้เราจะพูดเฉพาะมหาวิบาก 8 8 ดวงใดดวงหนึ่งที่มหากุศลชาติก่อนชาติ โดยการที่กล่าวได้ว่าไม่จํากัดไม่จํากัดเมื่อใด ภวังคจิตที่เกิดต่อจากนั้นเอ่อในอรรถกถาท่านบอกว่าเมื่อ 16 ขณะโดย 16 ขณะนะฮะคือระบุชัดเจนว่า จึงเกิดขึ้นต่อไปวิถีจิตที่เกิด ที่ว่าเป็นโลภะนั้นเป็นโลภะ ที่ท่านเรียกว่าเป็นภวะนิกันตะโลภชวนะแปลว่าวิถีจิตที่ชวนะเป็นโลภะที่นึกถึงตัวเองก็หมายความว่าเป็นๆว่าเรา ตัวเองมาตั้งแต่แรกเกิดเองมาตั้งแต่แรกเกิดนี้ถ้าถามว่าทําไมถึงเอ่อนึก คือพระโสดาบันพระสกทาคามีและพระอนาคามีด้วยที่ยังมีตัณหาเนี่ยยังมี ทุกครั้งไปอริยะวิกฤตของชีวิตน่ะหลังจากที่เราๆเป็นเกลาๆนะฮะอ่าแล้วเราก็รู้อริยะวิกฤตของ สัตว์ทั้งหลายนั้นกลัวตายสัตว์ทั้งหลายที่เว้นว่าคนที่ไม่กลัวตายเนี่ยคือคนที่ไม่มีนั้นก็ นอกนั้นแล้วยังกลัวกลัวมากกลัวน้อยนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งและที่ แน่นอนขณะอาการใจตายบางคนถ้าวิถีจิต ก็ตายๆเนี่ยไอ้ธาตุแท้ของตัวเองที่กลัวตายมันก็ว่าเกิดโลภะคล้ายๆว่า ก็นึกว่าตายแน่แล้วตายแน่แล้วใจหายวับไปพอมารู้สึกตัว คนเราเนี่ยเวลามันได้อัตภาพอะไรขึ้นมาแล้วความติดมันไม่ได้ไปคิดหรือ อบุได้ทางคุณนามหมายถึงในแง่จริยธรรมอย่างที่เราพูด แต่ว่าพอตั้งตัวๆนั้นก็จะนั้นมีสภาพที่เหมือนกันอย่างนี้ ก็ตอบว่าเป็นมโนทวารละวิธีเอมโนทวารเหมือนกันหมดนะถ้าเป็นถ้าหากว่า คือในภูมิที่มีตาปรากฏตั้งแต่เกิดหูปรากฏตั้ง เหตุการณ์บังคับจะต้องให้เป็นที่อาจารย์มีอารมณ์เป็นอย่างอื่นอย่างตาเนี่ยก็มีอารมณ์เป็นภายนอกหูเนี่ยนึกถึงโดย ที่คิดว่าเป็นลูกของใครน่ะมันเลยมาถึงมโนตวารแล้วนั้นการคนที่เห็นแก่ เป็นกรรมก็ได้กรรมก็ได้แต่ว่าตรงตรงเนี้ยท่านยกฐานะให้ความสําคัญที่ความนะฮะไอ้ความเป็นกรรมเนี่ยมันไม่มีราคาเลย สามมันกันน่ะของสัตว์ทั้งหลายก็ไม่มีค่านะแต่ที่เกี่ยวนั่น ไอ้อธิบายเรื่องภวังค์ในแง่มุมบางอย่างภวังค์เอ่อก่อนที่ผมจะพูดเจาะเข้าไปในทางภวังค์เนี่ย หรือตัวประกาศตัวหลักที่สําคัญของความ มีอะไรอย่างไรอะไรอย่างไรในคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์หรือในความเป็นประเภทเป็น ภวังค์นั้นไม่ใช่เกิดขณะแรกนี่คือๆน่ะเหมือนกันโดยประการ ภวังคจิตก็เป็นอย่างนั้นโดยประการทั้งปวงไม่แตกต่างกันเลยนะฮะทีนี้ทําไมจึงเรียก ที่เป็นปฏิสนธิจิตเอ่อขณะที่ 2 3 หลังจากเกิดว่านะสืบต่อต้นที่ยังแปลว่า ก็ตอบว่าสืบต่อสันดานสืบต่อสันดานอันนี้พูดเป็นภาษา นิธาดับไปแล้วไม่มีปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นเรียกบางทีจุติเนี่ยจุติในโลกมนุษย์แต่ปฏิสนธิไปปรากฏในปรโลก หรืออ่าจุติในโลกมนุษย์ในที่ 1 ไปปฏิสนธิในมนุษย์ใน ดวงหนึ่งดับไปจิตดวงใหม่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นจิตที่เกิดขึ้นห่างโดยเทศะเท่าไหร่ก็ตามหรือจะเกิดซ้ําที่เดียว 2 ก็ อย่างนี้เรียกว่าอ่าบางเช่นจิตบางดวงตั้งอยู่ที่ตาบางดวงตั้งอยู่ถ้าตายแล้วไปเกิดตา มีระยะทางห่างมากบ้างน้อยบ้างไม่จํากัดแต่ทั้งหมดเหล่านี้จิตดวงหนึ่งกับดวง <c oughs> จุติของบุคคลที่ดับลงในที่หนึ่งของบุคคลที่ดับลงในที่โดยสภาวะหนึ่งแต่ว่าไอ้โดยทาง อาจจะพูดติดจะพูดติดเค้าเรียกว่าพูดในส่วนเปือบสมมุติอรรถบัญญัติหรือพูดในส่วนทางกายภาพเท่าที่เห็นก็นึกว่าเอ่อเรา แต่มันเป็นเรื่องข้างนอกจะเป็นยังไงนั่นน่ะมันปี โดยสภาวะของการเกิดดับของจิตแล้วก็เหมือนกันเกิดดับ ไอ้ความไม่ดีไม่เปลี่ยนเลยอย่างเนี้ยจิตไม่แต่ไอ้สภาวะจริงๆแล้วนี่นี่เป็นเป็นการ เมื่อปฏิสนธเพราะปฏิสนธิเนี่ยมันเป็นตัว นะฮะเป็นไปส่วนที่จิตที่มีกรรมเก่าเป็นตัวสัตว์มาแล้วกําหนดคุณสมบัติ มันแปลหรือหลักก็ได้แก่นก็ได้หรือหลักก็ได้แล้วก็คติหรืออัตภาพอัตภาพที่เราได้ในภพนั้นๆฉะนั้นอย่างเรามีชีวิต ภาวะในตัวของเราเองถึงเราจะไปอยู่เอ่อบนสวรรค์ก็ชื่อว่าๆ หน้าที่เราเนี่ยปฏิภพกรรมภพกรรมภพกรรมอุปปติภพคือการพบได้แก่สิ่งที่ๆหน้าที่ว่ายืนเป็นตัวแสดงเป็นตัวประกาศความจริงก็ไม่ได้ประกาศให้ใครรู้หรอก แต่เป็นตัวยืนหยันยืนหยันว่าถ้าภวังค์ของเรายังเป็นภวังค์ดวงนี้แสดงว่าเราเกิดสืบต่อกันนั้นดับ ไม่ขาดจากองค์องค์ภพเพราะว่าภวังค์ที่ใหม่แต่ถ้าว่าภวังค์นั้นดับแล้วแล้วหลังจากนั้นภวังค์ที่ดับไปนั้นไม่เกิดได้อีกแปลคนนั้นตายไอ้ภวังค์ที่เป็นดวงสุดท้ายในเรียกจุติอ่ะติดเปลี่ยน องค์ของพพบใหม่เราก็จะมีสภาพที่มันพ่วงติดมากับองค์ของพพบเนี่ยเป็นอีกแบบหนึ่ง บางทีก็เหมือนจะบอกว่าไอ้ที่ว่าดูเหมือนเนี่ยหมายถึงเวลาเราพูดกันในทางอธิบายว่ากรรมเป็นเครื่องรักษาแล้วก็วจณกกรรมรักษานะ ก็ตายเราก็เลยบอกว่าเออก็หมดกรรมแล้วเค้าก็ตายไปจะไปเลยสงสัยว่าจะเอาจริงๆถ้าตอบเอาอยอย 2 อย่าง ต้องตอบ 2 อย่างนะ 2 อย่างก็คือกรรมเป็นคือกรรมนั้นมาบันดาล เรเราก็จะเห็นว่าเราเถียงๆกันอยู่เรื่องนึงว่าไอ้ ปัญจะเจริญก้าวหน้าได้อย่างไรมันกินไม่ได้พอคนมีความซื้อหิวขึ้นมาก็ จึงได้ใช้สิ่งที่เป็นผลของคุณธรรมเหล่านั้นอีกทีนึงนะฮะเช่นเราขยันเนี่ยขยันและไอ้ตัวความขยันกินไม่ได้แต่ความ มันต้องอ่าจ้องให้ความสําคัญดีเหตุโดยท้องทางเหตุกันคล้ายๆกันนั้นเนี่ยเราก็พูดไปเนี่ยอยาก สงสัยกันคือแล้วก็อยากจะพูดก็คือภวังคจิตที่เราเข้าใจกันมาแต่ดั้งเดิมเราเข้าใจไม่ตรงกัน แล้วก็พูดตามฐานะหรือตามชาติมันก็เป็นวิบากชาติอย่างนี้แต่ว่าเวลาพูดกันอย่างเอ่อก็ไม่ให้ความสําคัญจริงจังนักก็พูดถึงภวังค์เป็น 2 อย่างอย่าง เดี๋ยวจะชี้ให้เห็นความต่างที่อยากจะพูดเติมในวันนี้คือพอพูดถึงภาวังเนี่ยบางทีหายไป ไม่รับรู้พวกน้องตัวเองอ่ะบางคนก็เงียบนิ่งไปยิ่งกว่านั้นนะฮะบางคนนึงบอกว่า ก็เลยคนอื่นก็เลยบอกเอ้อฉันยังไม่เก่งขนาดนั้นฉันทําสมาธิแล้วไม่ลงภวังค์สักทีตี ทีนี้อีกอย่างหนึ่งภวังคจิตนั้นไปอธิบายว่าหมายถึงจิตใต้สำนึกตรงนี้ล่ะครับกิวังคือก็บางทีก็บอกมัน ได้สํานึกคือเรื่องนี้น่ะผมอธิบายอย่างนี้ครับว่าความถ้าถามเนี่ยในทางจิตวิทยาเนี่ยเราอ่าน นะฮะแล้วก็บอกว่านั่นล่ะจิตตระหนัก มันมีอยู่อธิบายได้มีอยู่มีอยู่อธิบายได้มีอยู่แต่อธิบายได้แต่ไอ้ภาวะที่เขาเรียกว่าจิตใต้สํานึก หรืออย่างที่เรานะแล้วจะอธิบายออกไปเป็นฝรั่ง อ่าคือถ้าจิตดวงเดียวเนี่ยอันนี้มันตรงกับสามัญธรรมนึกนะพระธรรมเราก็ เหมือนกับคนมีพฤติกรรมมีอริยามบทแตกต่างกันไปก็แล้วก็เมื่อใดความคิดอะไรโผล่ขึ้นมา นอกสํานึกมันก็เลยไปด้วยกันอยู่ใต้สํานึกที่สะสมไว้มันก็เลยไปด้วยนะก็ แต่ว่าของเราเนี่ยถ้าพูดถึงแค่ตรงนี้ก่อนนะเราแบ่งจิตเป็นเป็นอย่างนี้ครับไม่เรียกจิตไม่ถือว่าเป็นสภาวะที่ เป็นอ่าตัวจิตที่ชี้ได้ว่ามันซุกอยู่ตรงนั้นมันจม นี่นี่คือส่วนแยกแต่ว่าทางฝรั่งเนี่ยเค้าเรียกเป็นจิตไปซะนะคือจิตปรากฏปรากฏครั้งละ 1 ครั้งละ ไม่ปรากฏเลยก็หมายความว่าถ้าอย่างนี้น่ะก็คือเราเนี่ยมีจิตอยู่เอ่อล้อมอยู่แหละนะล้อมอยู่ทีเดียวหลายดวงเพียง วินิจฉัยอย่างหลักของเราอันนี้อ่ะครับทางธรรมะถือว่าเป็นแนวของพุทธนะเป็นสัตตสัตติทิอธิบายอย่างเป็น ความรู้สึกปรากฏพวกหนึ่งที่เมื่อมันเกิดขึ้น ภวังคจิตนั้นไม่ใช่กล่าวด้วยอำนาจแต่กล่าวด้วยความเป็นจิตชนิด และก็หมายความว่าขณะนั้นไม่มีจิตใต้สํานึกอ่ะถ้าจะพูดอย่างอ่าชี้แจงแก่เวลาหลังเนี่ยนะขณะนั้นไม่มี ปรากฏเป็นความรู้สึกขึ้น ใช่มั้ยโลภะโทสะโมหะความเป็นกุศลความมีสติความขาด มันก็ไม่ไม่เป็นจิตที่ปรากฏมายังโลกภาย หลับรู้สึกยังไงแล้วก็อย่างนั้นแหละนี่ไม่ต้องอธิบายทุกคนรู้จักความ ที่นี่มีอยู่กลางในขนาดนั่งบนรถปรับอากาศนะเค้ามีอ่าเรียกว่าความนิ่งเออก็ก็ดีหน่อยบาง อย่างมันส่อให้เห็นว่าเรามองดูท่าหลับแล้วมันส่องให้เห็นว่าอ่ามีการฝึกจิตดีนะฮะจะเป็นฝึกมาเมื่อ <c oughs> เกิดวันดีขึ้นดีไปเจอผมนั่งกับกระโหมกน้ําลายไหลยืด เอ่อนี่ฟังแล้วจะเหมือนจะขัดกันแล้วใครๆเนี่ยคือทารเวนพวกที่อ่าทุพพลภาพ อบรมสติอบรมคือทั้งจิตเนี่ยเค้ามีความเข้มแข็งบอก ได้อาการอย่างนั้นไม่เปลี่ยนท่าไม่ดิ้นออกไปนอกเสือนอก มีปฏิกิริยาสนองต่อต่ออารมณ์ภายนอกก็ดีขณะนั้นไม่ใช่ภวังคจิตต่างธรรมะถือว่าเป็น แต่ถ้าหากว่าคนมีการฝึกจิตดีถ้าหาดว่าคนมีการฝึกจิตดีเนี่ยการจะตื่นถ้าบังเอิญตื่นแม้แต่ๆเนี่ยก็ เวลาที่เราระหว่างนอนหลับเนี่ยคนที่เปลี่ยนอิริยาบถหลับอิริยาบถนอนในระหว่าง ทำเมื่อยเนี่ยถือเป็นอีกแบบหนึ่งแม่ผลประภาลมภายในแล้วถ้าๆเนี่ยก็จะไม่เหมือนกัน แล้วที่พริกเนี่ยจะพริกเอ่อภายในมากกับพริกเนี่ยถือเป็นโทฐภาลม เมื่อเกิดแล้วกายวิญญาวิถีเกิดแล้วมโนทวารวิถีเกิดต่อไอ้มโนทวารวิถีที่เกิดต่อเนี่ยเกิดเพื่อบอกแก่ตัวเองว่าเราต้องถัดอีริยาบถก็ ว่าเราไม่เคยตอบตัวเองแล้วทําไมต้องเปลี่ยนคลิกเปลี่ยนไปด้านนี้ บางทีมันมีเหตุการณ์ที่ทําให้เราต้องถามบางทีเราเคยข้างๆเรามีคนด้วยบนตรัสวัดมี การตัดสินใจว่าจะทํายังไงอันนี้คือเหตุปัจจัยแวดล้อมเหตุหมายแปลว่า ต้องอย่างไอ้ตัวอย่างนะโดยสรุปนะอย่างหนึ่งคือแรงบีบของทุกขเวทนาอย่างที่ว่ามาอีกอย่างหนึ่งเกิดจากแรงกระทบของเรื่องในใจแรงกระทบของเรื่องในใจอันนี้บางทีอย่างที่เราผวาอะไรต่างๆนอน เกิดได้เห็นแม้ยังเด็กๆผวาหรือบางทีก็ผู้ใหญ่ฝันเนี่ยอะไรทั้งทั่วไปในฝันฝันว่าอย่างนั้น แต่ว่ายังไงพระอรหันต์ก็คงจะนึกออกเพราะว่าท่านก็ผ่านชีวิตอย่างนั้นอันนี้คืออธิบายอย่างพระๆนั้นเป็นไปเป็นความปั่นในระหว่างนั้นและอันนี้หลักอันหาทํายา เกิดจะพูดได้ว่าไม่ได้ไม่มีมีการตื่นในระหว่างทั้งๆคือผู้ที่ฝึกจิต จึงเป็นพระอรหันต์แล้วแม้แต่ความเคลื่อนไหวทางและแม้ พระอรหันต์ก็ไม่มีหลับก็หลับเลยตื่นก็ตื่นเลยท่านจึงเรียกว่านอนเนี่ยนอนน้อยตื่นมากแล้วก็ตื่นไม่ พระพุทธเจ้านอนคืนกี่ชั่วโมงรู้มั้ยรู้มั้ย 80 นาทีพระพุทธเจ้านะ 80 นาทีนั่นเองอันเนี้ยเรารู้เวลานิเนยอรรถกถา คำนวณยามปลายมาเป็นตัวตัวเวลานาทีโดย ความวิทยาที่ทํากิจอย่างอื่นอย่างเป็นปกติแล้วก็ดําเนินไอ้ความหลักอย่างเป็นได้นะจะเรียกว่าจิตได้เพราะเรียกว่าจิตเนี่ยมันต้องบอกได้ว่าเป็นจิตอะไรที่แต่จึงจะเรียก อันอย่างเราเนี่ยถ้าถามว่าขณะที่เรานั่งอยู่นี่เราหรือกุณธรรมส่วน ขณะจิตปรากฏไม่บอกไม่มีขณะนั้นเนี่ยไม่เกิดไม่เรียกว่าจิตนั้นเรา มีพลังอยู่นะครับที่ยิงไม่เข้าฟันไม่ออกอะไรก็ตาม เอไม่มีจิตนั้นทําไมถึงสักฤทธิ์ได้เราบอกว่าคือเอ่อพระสมเด็จพุทธาจารย์โตวันรังคามเป็น หรือมีพลังที่มีส่วนคล้ายมีพลังที่มีส่วนคล้ายนะส่วนทางพฤติกรรมแต่คล้ายกับตัวนะทางรูปมันจะให้ไม้อยู่ มันก็ไม่ได้ก็ไม่ได้มันไม่สามารถจะมีอาการพลิกแปลงได้ถึงขนาดนั้นนะอํานาจ มันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนก็บอกว่าเรื่องอํานาจอยู่ได้ในรูปก็อยู่ได้ในนามก็อยู่ได้ อำนาจจิตของเรามันก็แฝงอยู่ในจิตของเรา ไม่ปรากฏปรากฏก็ก็เป็นอย่างเนี้ยเวรกรรมก็เป็นอํานาจทีนี้อํานาจเนี่ยมันไม่ได้อ่ะเอ่อตามคือเอ่ออย่างเช่นคนที่ อํานาจไม่เป็นตัวกิเลสอนุสัยกิเลสตามนอนเนื่องไปที่ไหนท่านบอกว่าที่รูปนั่นแหละๆรูปแบบในปัจจัย 24 อยู่ ที่ไม่จําเป็นจะต้องมีจิตมันนิสัยมันก็ 500 กัป ทำตามมาได้ถูกยังไงน่าจะลืมเถอะอำนาจบรรพตาคือเรื่องของของจิตเรื่องการ์ตูนน่ะมองๆดูแล้วนะมันคิดยังไงก็ครับมันทําให้เป็นอย่างง้นอย่างนี้ก็สารพัดเหมือนการ์ตูนเรา เรเราก็ยังแปลกใจเท่าที่มันมันมันเป็นไปได้ยังไงคนอย่างสมมุติเล่นมหาคมเล่นกาถาเนี่ยวันเดือนปีเกิดไปแล้วรูปวิจารณ์มนต์ดําแล้วก็ ลัวไม่อยากจะให้ที่อยู่ที่อาศัยไอ้ไม่ให้วันเจอใครตามจริงน่ะตัดเล็บไปให้เค้าเออมัน ไอ้จะรักษาโลกเหมือนในในวิสุทธิมรรคแล้วผมๆเนี่ยรักษาพี่หายไป ไม่ต้องไปทั้งทีก็ตั้งเจตนาขึ้นมาเรามีพลังก็สามารถที่ทําให้เป็นไปได้แม้แต่กระดงกระดาษสักแผ่นก็มาทําได้เสกได้ แต่ว่านั้นไอ้กระดาษ 2 แผ่นนั้นมีการใส่อะไรลงจับนี้ก็เสร็จเลยต้อง สิ่งเช่นภวังคจิตนั้นคือปรากฏการณ์ของความรู้สึกแบบ 89 หรือเปล่าจิตดวงใดชื่อภวังคจิตใน 89 นั้นไม่มี บอกว่ามันก็ไม่ได้อยู่นอก 19 ดวงมาทําหน้าใน 19 ดวงเราปฏิสนธิด้วยจิตดวงใด คนอื่นก็อาจจะ 1 คน, น, ง, คน 19 ก็เป็นภวังคจิตด้วยกันทํากิจเหมือนกันหลับเหมือนกันนะไม่ต่างกันโดย ก็รู้สึกโผล่เป็นขณะแล้วก็แม้ในความรู้สึก ไม่ได้เกิดได้ดับได้ไม่เกิดไม่ดับได้ดับเนี่ยนิ้วก็ชวนเข้าใจว่าเป็นจิตไม่เกิดไม่ดับฉะนั้นของพุทธ ส app ส app SM สاذแล้วเป็นเก้า compra il uma ตัวตัวต่าง ska那麼 มีหน้าจตั้งตัว lambechah ethnikum เขามmie Xstu Xstu นี่ม więc K능wich MIC idiotak hehe � sigu Different women'sata. Will be quis or du? เป็นสัสนนะ smells. Đi how come find sair. If you could be a前-team fa am a apa chef เป็น spannend 법 holdาcht of Tu. Masculine Esra w customized for you. rous stupid lu. 싶กว่า theory? ไม่เป็นๆั fluoroph Genesis is not anGO�로 물� อำนาจไม่ยกขึ้นในแบบแผนของความเป็น ถ้าเมื่อใดเราไม่หลับไม่มีภวังค์กะจิตใช่มั้ยแต่อธิบายอย่างปะหลังเนี่ยภวังค์ ที่เป็นไปต่างๆเป็นไปต่างๆแล้วแต่ว่าจะสะสมอะไรนะนะนี่ไม่ว่าอย่างวันหลังแต่ของพุทธเหล่านั้นเป็น จิตเป็นยังไงเป็นยังไงอย่างเรารั่วหลับจิตเป็นยังไง แต่ว่าไอ้ผลได้ก็ดูก็ๆน่ะที่วาวามานั่นก็แตแตแต 19 ชนิดบางคน บางคนเป็นญาณสัมปยุตบางคนเป็นอสังฆานิกบางคนเป็นก็จะ <c oughs> <c oughs> ใน 19 นั้นมหาวิบัติ 8 ดวงเนี่ยครับทําหน้าที่เป็นภวังค์ได้ด้วยแต่ละคนนั้นไม่สามารถที่จะหลับด้วยมหามาวิบัติได้ครบทั้ง 8 หรอกจะ นะทีนี้ปัญหามันก็อยู่ที่ 8 เนี่ยเราพูดลวงๆกันไปว่าที่เช่นศรัทธาก็มี อาโทสะก็มีความไม่โกรธหรือเป็นรูปเมตตาอ่ะก็ได้ไม่โกรธเนี่ยไม่โกรธนะยกเอ๊ะแล้วทําไม ไม่เห็นจะรู้เรื่องอะไรเลยขณะหลับเนี่ยคนมึงว่าคนที่หลับด้วยยานธรรมยุตกับหลับด้วยยานวิปัสสนาโง่เท่ากันไม่กัน มหาวิบาก 8 มันก็ไม่เห็นมีรสตาอะไรๆเหล่านี้อยู่ในนั้น อภิธรรมบอกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ภวังคจิตนั้นมีอารมณ์ของตัวเป็น มีคติสตินิมิตเป็นอารมณ์มีกรรมนิมิตเป็นอารมณ์อะไรที่ติดมาจากต้องไกลตายเราก็ ทางโสภณธรรมนะแล้วก็มีอารมณ์เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็นึกไม่ออกความรู้สึกเป็นอะไรเราน่ะรู้จักจิตของ เรเราเนี่ยนึกว่าเราเก่งว่าอะเราจิตเราเคลื่อนไหวเป็นยังไงมีกี่อย่างอย่างไรไอ้มีกี่อย่างไงทีเรายังไม่ได้คิดเลยต่างเรานึกว่าเราจะต้องรู้เรานึกว่าจะต้องไอ้ที่เรารู้เนี่ยมันเป็นเรื่องความเป็นจริงของจิต ไม่รู้จริงเลยอ่ะใช่มั้ยโกรธมาจนถึงเดี๋ยวนี้ถ้าถ้าถามอย่าง เมื่อจิตมีกามฉันทะก็รู้ว่ามีกามฉันทะเมื่อจิตแล้วจะละเสียได้ผม <ME> <ME> อ่ะที่ผมว่าฟังเนี่ยเพื่อใครว่าพอฟังแล้วนั้นมันไม่อธิบายไอ้ผมจะอธิบายผมไปอธิบายเองหาว่าเออสมัยท่านว่าไว้ยังไงใช่เราเนี่ยว่า มันมีความรู้สึกนี้มีความรู้สึกนี้คือๆหรอกครับนี่ๆพูดถึงความรู้สึกที่ปรากฏแต่มัน อะไรสงฆ์กิจต่างๆในแง่ต่างๆเนี่ยการปฏิบัติรู้นะใช่มั้ยนี่พอบอกว่าต้องปฏิบัติปิบัติ นะงั้นถ้าที่ที่ทําได้เนี่ยมันก็พิสูจน์ๆต่างๆแล้วก็ก็พูดอย่างนี้นี่ถ้าเค้า ที่ไม่มีความเคลื่อนไหวไม่มีความเคลื่อนไหวนะไม่มีความเคลื่อนไหวในอารมณ์นี่อันหนึ่งยังจักขุวิญญาณจิตบ้างเห็นรูปโน้นบ้างใช่มั้ยจักขุวิญญาณ ปกติก็เห็นรูปนี้เกิดขึ้น